บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงเรื่องของโลกโดยลำดับเพื่อต้องการเน้นให้ท่านผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมเห็นว่ากรรมโลกในความหมายของพระพุทธศาสนานั้น ได้เน้นไปที่กลุ่มของทุกขสัต์หรือพวกอุปาทานขันทั้งหลายซึ่งด้โลกเดียวกันนี้เองถูกกำหนดโดยผู้รู้กับผู้ไม่รู้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดรัสรุที่พวกคนเผาค้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ค้องอยู่ โลกนั้นจึงเป็นกฎของธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามปกติของแก่แต่การที่โลกสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลออกมาเป็นการกระทำดีทำชั่วออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ออกมาเป็นโลกสวรรค์จนถึงนิพพานนั้นก็อยู่ที่ใจของบุคคลผู้กำหนดรู้โลกในฐานะที่แตกต่างกันในการที่ยกโลก ขึ้นมาโดยนัยะต่างๆเพื่อเพื่อสะดวกแก่การศึกษาทำความเข้าใจของบุคคลเหล่านั้นซึ่งมีพื้นฐานแตกต่างกันตัวการมองก็จะมองในแนวเดียวกันโลกทั้งหมดที่กล่าวมาจากโลกหนึ่งจนถึงโลกที่แปดแล้วที่จริงแล้วก็คือสิ่งที่ตกอยู่ในสภาวะธรรมดาที่เราเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะคือเป็นลักษณะที่เสมอกันเหมือนกันของสัตว์และสังขารทั้งหลาย ได้แก่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่ที่สิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาให้แก่บุคคลก็เพราะว่าไปมองโลกในแง่ที่ไม่ตรงตามความจริงคือในขณะที่โลกไม่ได้สวยงามอะไรอย่างที่เข้าใจกันแต่ใจคนก็ไปกำหนดว่าโลกนั้นมีความสวยงาม ก็ขอให้เกิดความกนัดเพลิดเพลิพนยินดีในความสวยงามเหล่านั้นที่ใจก็กำหนดเอาแต่ความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากจุดนั้นเมื่อได้สิ่งที่ตนกำหนดว่าสวยงามก็มีความเพลิดเพลิพนชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นสุขเวทนาก็เกิดขึ้นแต่โลกแก่ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของแกไม่ว่าจะในจุดใดก็ตามเพราะบางอย่างที่ เราปรารถนาที่จะได้และไม่ได้เราก็เกิดทุกขเวทนาหรือปรารถนาให้อยู่และไม่อยู่เราก็เกิดทุกขเวทนาหรือว่าต้องการจะเพิ่มขึ้นมันไม่เพิ่มเราก็เกิดทุกขเวทนาแต่เราต้องการต้องจากพราคไฟของสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เราพอใจก็เกิดทุกขเวทนานชีวิตของบุคคลจึงอยู่ในแวดวงของความทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากจิตไปกําหนด โลกในแง่นั้นแต่ถ้ามองโลกในแง่ของความเป็นจริงก็จะเกิดความรู้เท่าทันถึงความจริงในโลกไม่ว่าจะมองในจุดใดก็ตามแล้ความจริงเป็นยังไงก็ยอมรับความจริงในฐานะนั้นๆจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกคือโลกเปลี่ยนแปลงแต่ ว, ว่าจิตใจเราก็จะไม่อ่อนไหวไปตามคือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือโสมนัตโทมนัตไปตามอารมณ์ของโลก ซึ่งวันนี้บางอย่างก็สอนให้ดูในยะสั้นๆอย่างที่พูดถึงโลกธรรมแปประกา ร, รเราเห็นว่าลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสันเสริญนินทาและสุขทุกนันบางอย่างมันเกิดขึ้นเพียงช่วขณะหนึ่งช่วขณะหนึ่งเท่า น, นั้นแล้วก็ประสบความเสื่อมไปเห็นรับเงินมาแล้วมันก็จ่ายไปหรือหายไปนี้แสดงว่าตอนรับปรากฏเป็นลาบ ตอนหายไปตอนจ่ายไปมันก็เป็นการเสื่อมล้าบางครั้งได้ยกจ้องในฐานะในตําแหน่งต่างๆบางทีมันเป็นช่วงขณะจริงๆเช่นการสมมุติการแสดงละครหรือการประชุมถูกเลือกให้เป็นประธานในะที่ประชุมเป็นต้นบาช่วงระยะเวลาสั้นๆและในที่สุดก็เสื่อมจากยศหล่นนั้นในขณะนั่งเก้าอี้ประธานสามารถสั่งการชี้คนนั้นทํานั้นคน น, นี้ทำนี้ได้ พอลูกจากเก้าอี้มันก็หมดสภาพความใหญ่เหล่านั้นแล้จะสั่งใครอีกต่อไปไม่ได้แต่ในที่สุดวันเออนื่องจากเป็นของไม่เที่ยงวันต่อไปแกก็อาจจะได้เป็นประธานแล้วก็รับสมมุติในฐานะนั้นๆสั้นๆอีกแล้วก็เปลี่ยนอีกการสรรเสริญนั่งยิ่งเห็นได้ชัดใหญ่เพราะฉะนั้นว่าเช่นมีคนนั่งกัอยู่หลายๆคน แล้คนหนึ่งประรบถึงบุคคลหนึ่งคือมองจากมุมหนึ่งก็เห็นงา่ดีจะยกย่องสรรเสริญก็โดยประการต่างๆแต่คนหนึ่งก็จะแทรกขึ้นมานําเรื่องไม่ดีไม่งามของบุคคลเหล่านั้นมาตําหนิจิเจียนเราแสดงว่าในคนเดียวกันนั่นเองจากความรู้สึกของบุคคลในหลายคนคนหนึ่งสรรเสริญคนหนึ่งนินทาและแม้แต่คนที่เคยสรรเสริญ น, นั่นเองโอกาสหนึ่งก็นินทา บางอย่างก็เป็นไปช่วงขณะที่เราเห็นได้เห็นท่านเรียกว่าต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกคือต่อหน้าอาจจะสนเสริญและรับหลังก็นินทางเป็นการเกิดดับที่เร็วแล้วก็เห็นได้ชัดส่วนความสุขความทุกข์นั้นเกาขึ้นอยู่กับ ใ, ใจที่ปรุงในขณะนั้นๆเพราะในสิ่งหนึ่งที่คนบอกว่าสุขคนหนึ่งอาจจะบอกว่าทุกข์ก็ได้ น, นึงบอกว่าดีคนหนึ่งอาจจะบอกว่าไม่ดีก็ได้ในชั้นของโลเกียรธรรมจึงเป็นเรื่องการกําหนดของใจที่เรียกว่าความพอใจเป็นตัวกําหนดว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทำไมพอใจก็กําหนดว่าเป็นทุกข์ถ้าพอใจก็กําหนดว่าเป็นสุขตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆแม้ในขณะนี้ที่นั่งกันอยู่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแอร์เย็นไปบางคนอาจจะรู้สึกว่า ความเย็นน้อยไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอดีบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดไดยทำไปคล้ายๆกับอากาศจะไม่พอหายใจเป็นต้นแต่แท้จริงแล้วอุณภูมิมันก็อยู่ในจุดนั้นคือใครจะกำหนดยังไงอุณภูมิมก็อยู่ในจุดนั้นเองนี่แสดงให้เห็นว่าใจไปกำหนดให้เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ตามควรแก่ขณะนั้นๆ ว่าโลกธรรมจึงเป็นภาพที่เห็นได้ชัดถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือแม้แต่มองสังคม ก, มกว้างใหญ่เราชื่นชมก็ยศตําแหน่งของบุคคลบางคนอยู่นั้นในขณะเดียวกันนั่นเองในส่วนอื่นของโลกคนในฐานะตําแหน่งเหล่านั้นกําลังเสื่อมกองหนีภัย เรืออาจจะถูกจับกลุมหรืออาจจะถูกปฏิวัติรัฐประหารต่างๆเป็นต้นซึ่งแสดงเห็นว่ายศในจุดนั้นจึงถือว่าสูงสุดนั่นเองก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาดังนั้นในชั้นนี้จึงสอนให้บุคคลรู้เท่าทันถึงความจริงพยายามมองว่าสิ่งอะไรไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงสิ่งอะไรเป็นทุกข์ก็คือเป็นทุกข์สิ่งอะไรเป็นอนาัตตาก็คือเป็นอนัตตา ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเวลาเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโทษภัยจากสิ่งนั้นจะน้อยลงยกตัวอย่างเช่นโรคไฟร้อนงูมีพิษแต่เราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านัน้นการเกี่ยวข้องกับไฟก็จะมีความระมัดระวังใช้เหตุผลใช้สติปัญญาที่จะไม่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับงูสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นไอความกาหนดรู้ที่ชัดเจน ง, งูนี้มีพิษ แต่เราต้องจับงูแต่ความระมัดระวังที่เรียกว่าคว้างูให้พ้นขอก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าขาดความระมัดระวังก็อยู่ในคำที่เราเรียกว่าคว้างูไม่พ้นขอก็คอให้เกิดปัญหาที่สืบต่อกันมาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนโลกในแง่อื่นมุมอื่นโลกประการต่อไปเป็นโลกก้าก็ได้แก่สัตว์ตาวาดคือที่อยู่ของสัตว์ แต่แกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นมี9ก้าระดับด้วยกันในส่วนเจ็ดข้อก็แสดงมาแล้วในเรื่องวิญญาณทิฏฐิพอถึงเก้าก็เพิ่มมนอีกสองอย่างคือสัญญีสัตตาได้แก่พรหมลุกฟักที่เราสวดกันว่าเอกโวการคือมีขันหนึ่งและเนวสัญญานาะสัญญายตนาพบคือพบที่ท่านผู้ได้บรรลุอรูปฌานที่สี่ไปบังเกิดรวมแล้วก็เป็น9้า แต่ภาพเหล่านี้มองยากเพราะว่าเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้น้อยคือจะมองให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาภาพมันใหญ่มากคล้ายๆก็มองภูเขาให้เห็นไตรลักษณ์ที่ภูเขามันเห็นยาก แ, แต่ต้องมองที่ใบไม้ซึ่งงอกบนภูเขานั้นเห็นง่ายเพราะใบไม้จะมีความเสื่อมปรากฏได้เห็นในจุดต่างๆในขณะที่ข้างบน กังพริยอดตนอ่อนมาใบข้างล่างก็ร่วงหล่นมีกังสุกเต็มที่หรือกังเริ่มจะเหลืองเราภาพเหล่านี้มันชัดแต่การแสดงเรื่องสัตววาฏนั้นเป็นการแสดงในฐานะของโลกสัตววาฏคือที่อยู่ของสัตว์ทั้ง๙ประการนั้นเป็นการแสดงว่าโลกมันจะระนีดยังไงก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพนั้นคือสภาพอย่างที่เราเคยพบในโลกนี้เอง มันก็คล้ายๆกับมองกระต้อเล็กๆกับมองกระดือหดที่มาึ้นมาเราจะเห็นว่าการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจนั้นจะต้องมองที่กระต้อเปล็กเสียก่อนกระต้อเล็กมันเห็นใจรักได้ง่ายเปลก็ไม่กี่วันมันก็มีความเปลี่ยนแปลงและเสร็จแล้วมองกระดือหาดขนาดใหญ่ก็จะเห็นว่าแม้คระดือหาดหลังนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ แต่เนื่องจากองค์ประกอบของความเป็นฤรษีหาดมันมีความแข็งแรงมากกว่าโอกาสที่จะพังไปตามปกติธรรมดามันก็จะช้ากว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับใบไม้นั่นเองมันไม่ใช่ร่วงเสมอไปคือร่วงตามกาลเวลาเสมอไปการร่วงหล่นของใบไม้อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ต่างๆที่ไปทำอันตรายอาจจะเกิดขึ้นจากคนอาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ อ, อาจจะเกิดจาก ความการแผดเผาของแดดหรือการพัดผ่านของลมเป็นตน้นคือสรุปมเกิดได้ทั้งหลายทางนัการร่วงหล่นของใบไม้เกิดจากได้เกิดได้จากหลายทางชั้นใดแม้สิ่งอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่การพังขงก็กือหาสอาจจะพังก่อนกระตอ๊อบก็ได้คือถ้าหากว่าไปเกิดโดนระเบิดข้าวหรือไปเกิดเดินแผ่นดินถล่มข้าวเป็นตน้นเดียวเราก็มองว็าเห็นภาพเหล่านี้กันดู แสดงว่าเมื่อมองจุดหนึ่งคือให้เข้าใจสักจุดอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดคือเรื่องโลกนี้แต่การใช้กำหนดระลึกนั้นจะมีอยู่สองระดับเราจะให้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้เรามองแนวสมถะก็คือจิตสงบอยู่กับสิ่งนั้นโดยมีสติเป็นตัวนํามีสัมปชัญญะมีความเพียร แต่ว่าโลกนั้นเองในจุดนั้นเองเช่นสมมติว่าเอาลาบเอายศมาพิจารณาคือพิจารณาในแง่ของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของลาบของยศของสันเซิญของความสุขหรือของเสื่อมลาบเสื่อมยศทินทาทุกเป็นต้นเราก็จะกลายเป็นวิปัสสนาเวลาเราพูดถึงวิปัสสนาท่านบางทีท่านพูดสุสรุปส ร, รุปามารป คำว่านามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจของเราท่านเราจะเห็นว่าความสุขเนี่ยเป็นนามก็เรารู้ด้วยใจของเราไอเสียงสรนเริญตัวเสียงนั้นเป็นรูปแต่ความรู้สันเริญเป็นนามตัวยศเองเป็นรูปแต่ความรู้ยศยศเป็นนามลาบเองก็เป็นรูปแต่ความรู้ลาบนั้นเป็นนามเพราะงั้นมันก็เป็นทั้งรูปนามอยู่ในตัวของมันเองทั้งเสื่อมลาบเสริมยศนิทาทุกข์ก็มีลักษณะอย่างนั้น พระสัตาวาสทั้งเก้ามันก็รูปนามเพราะเรามองตรงนั้นแกไม่เห็นเรามันไกลแต่เราก็มองจากภาพเล็กๆไปก่อนแล้วในที่สุดก็จะมองรวมไปหมดเลยว่าตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นคือการมองแนววิปัสสนานั้นไม่ใช่ว่าเจาะจงจะต้องมองสายนั้นสายนี้ปัญหาว่าเรามองภาพตรงไหนชัดเราก็มองจากสายนั้นอาจจะมองจากอนิจจังก่อน แล้วก็มารือมองทุกขังก่อนหรือมองอนัตตาก่อนก็แล้วแต่ไม่กำหนดเจาะจงลงไปว่าจะต้องเดินมาตามขั้นตอนอย่างนั้นคือพื้นอัตตาสัยในการเห็นสิ่งเหล่านี้ของคนเราไม่เหมือนกันกอนี้ลองสังเกตว่าแม้แต่ว่าเวลาพระเจ้าทรงสอนพระสงฆ์ในยุคนั้นบางทีก็ทรงเริ่มที่อนัตตาเช่นสอนพระปัญจวคีก็เริ่มที่ให้มองขันธ์ทั้งหเป็นอนัตตา แต่พอไปสอนพวกพระรูปนันทาเถรีเป็นต้นก็ให้มองที่ความสวยงามก่อนเอาความสวยงามเป็นเหยื่อล่อ ก, ก่อนให้เพลินอยู่กับความสวยงามพอใจนิ่งอยู่กับที่สวยงามแล้วก็เริ่มให้ความสวยงามนั้นเริ่มเปลี่ยนแปงแลงเราแสดงว่าเข้ามาสู่อนิจจังก่อนคือมองจากหลั ก, กอ น, นิจจังก่อนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากคือใช้เพียงไม่กี่นาที สาวรุ่นวัยสิบหกปีก็กลายเป็นคนแก่ยุร้อยยี่สิบปีเป็นภาพที่ทรงสร้างขึ้นด้วยพุท ธ, ธานภาพก็คล้ายๆกับพวกนิมิตของกระสินอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติของคนแต่บางอย่างร่างกายตัวปรากฏเด่นชัดนั้นคือทุกเช่นเะเทรารูปหนึ่งร่างกายท่านเปิดเน่าหมด จนเหม็นมีกลิ่นเหม็นไปในที่ต่างๆเพื่อนขยะขแขยงรังเกียจพระเจ้าก็ทุกมาสอนให้ท่านมองทุกที่ไหนก็ทุกตรงนั้นแหละทุกที่เกิดขึ้นแก่ท่านทุกเวทนาที่ปรากฏจับตรงไหนก็ได้มันมีแต่ทุกทั้งนั้นปวดไปทั่วสารพางกายพ่ามองจุดใดก็จะเห็นเป็นความทุกข์โดยใช้หลักให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอจะล้มลงเหนือแผ่นดิน เมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วก็จะเหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรคือกริ้งไปกริ้งมาอยู่นั่นก็อมองที่ตัวทุกข์แต่ถ้าเห็นแล้วก็คือเห็นเพราะพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องถึงกันยังบทสวดที่ท่านสอนให้สวดย่อแต่สวดแล้วพิจารณาตามจนสามารถลดละบรรเทาผ่อนคลายความรู้สึกกำหนัดจุดติดในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้ อาจจะเริ่มจากอนิจจังทุกขังแล้มานัตาคือตามปกติจะสอนในโครงสร้างนี้แต่ไม่ใช่สากลคือถ้าเรียงลําดับแล้วมักจะเรียงแนวนี้แต่อนัตตลักษณะสูตรไม่เรียงแนวนี้คือเรียงอนัตตานิจจังแล้วก็เรดยงทุกขังเป็นการเจาะประเภทเอาเฉพาะขันห้าก็มองว่าสมมติว่ามองรูปหรือมองลาบก็ได้ว่าลาบนี่เป็นของมิติ ยยศนี้เป็นของไม่เที่ยงยศใดไม่เที่ยงยศนั้นก็เป็นทุกยศใดเป็นทุกยศนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนยศใดไม่ใช่ตัวใช้ตนยศนั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราอันนี้เราเห็นชัดมากจะดูพัดของพระที่ถือเป็นเจ้าคุณอยู่จะอยู่ดูสายสะพายของโยมที่สะพายอยู่ดูเหรียญตราต่างๆที่ติดอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายไม่รู้ของใคร เราเป็นคนที่ตระหร่ก็ไม่รู้คือนั่งมองก็เป็นของคนตายไอ้คนตายก็ไม่ใช่เจ้าของพรแกก็ทิ้งไว้แล้วเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่มือเราแล้วในที่สุดเราก็ทิ้งอีกต่ลงม็ไม่มีเจ้าของจริงๆไม่มีตัวตนจริงๆเราเห็นได้ชัดมากเนื่องจากพวกนี้มันเกิดดับเร็วทมให้เข้าใจได้ชัดแต่ก็แปลกเป็นเรื่องยุ่งที่สุดือสร้างปัญหามากที่สุดพวกรายอเสริญสุข มีการยื่นแย่งมีการต่อสู้มีการผ่าดระหานเพื่อได้สิ่งเหล่านี้ไปคอยคว้าปรารถนาสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมด า, าไอ้สิ่งที่เที่ยงเที่ยงไม่กว่าไม่ปรารถนาไม่ค่อยคว้ากันอย่างน้อยที่สุดเช่นคุณธรรมความดีต่างๆนั้นมีความเที่ยงแท้กว่าสิ่งเหล่านั้นในแง่ของสังสารวัฏแล้วเขาก็อยู่กับเราตลอดไปแต่พวกนี้ในแง่ของสังสารวัฏแล้วจะอยู่กับเราระยะสั้นๆสั้นๆ เพราะเรื่องเหล่านี้จึงสอนให้มองเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่ว่าเรียงให้ดูคือเรียงให้ดูในที่ต่างๆนั้นท่านเรียงไว้มากเพราะนอกจากสัตววาด้าแล้วก็มี ม, มีโลกสิบโลกสินั้นเป็นการเรียงที่แปลกเพราะว่าเป็นการนำเอากิเลสสิบเอาไว้ซึ่งแสดงเห็นว่าผู้ฟังนั้นมีความรู้ลึกซึ้ง แทนที่จะพูดที่ตัวโลกพูดตัวเหตุเกิดของโลกเพอรู้ว่าโลกเองนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ตัวเหตุเกิดสิก็มีปัญหาจึงเอากิเลสมาพูดก็หมายความว่าพูดสมุทยัยการสอนในลักษณะนี้บางครั้งเราจะเห็นว่าพื้นฐานคนที่ฟังเรื่องเหล่านั้นจะแกยกอะไรยังไม่ชัด ก็เอาพวกสมุทัยศาสตร์เป็นทูตพูดเป็นทุกขศาสตร์ก็มีคราวนี้เราสังเกตว่าเช่นนิโรธที่รเราแปลความดับทุกข์นี่มันมีลักษณะเป็นไทยๆคือง่ายๆต่อการเข้าใจจริงๆไม่ได้ดับทุกข์มันเป็นการดับกิเลสแต่ว่าทุกข์นั้นเป็นผลมาจากกิเลสเพราะั้นเมื่อกิเลสดับความทุกข์ก็ดับแต่ถ้าพูดว่าดับกิเลสต้องอธิบายกันนานพูดไม่รู้เรื่อง เพราะพระเจ้าก็ะชากก็ว่าดับทุกดับทุกกิเลสก็ดับแต่บางคนนั้นแกเข้าใจได้ลึกซึ้งก็ดึงก็ไปหาตัวสมุทยได้เลยเพื่อรู้ว่าทุกนั้นจริงๆไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่ตัวกิเลสนี่เองเป็นในสร้างความทุกข์ขึ้นนานาประการแล้วต่อไปเป็นโลกสิบเอ็ดโลกสิบเอ็ดนั้นเฉพาะในที่นี้ทรงหมายถึงการ ม, มาพบสิบเจ็ดพบด้วยกัน ก็ได้แก่อบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกรวมแล้วก็เป็นสิบเอ็ดภพด้วยกันทําไมจึงสอนเรื่องภพในแง่ของไตรลักษณ์ทำไมจึงสอนเรื่องสัตว์ตาวาสคือที่อยู่ของสัตว์ในแง่ของไตรลักษณ์ทำไมจึงสอนเรื่องวิญญาณทิติคือที่ตั้งวิญญาณในแง่ของไตรลักษณ์เพราะมันตกอยู่ในกฎของไตยลักษณ์แต่อย่าลืมว่าเป็นการสอนระดับปิปัสนาจึงเป็นเรื่องของกามาชีนบได้แก่โทษของกาม คือใจคนนั้นจะแล่นมันแล่นยังไงกค็คล้ายๆกับบ้านเนี่ยเรามองเห็นว่าบ้านกำลังจะถูกไฟไหม้เราก็วิ่งหนีจากบ้านนั้นเพื่อไปอยู่ที่อื่นการเรียนรู้ความจริงของชีวิตจะมีลักษณะอย่างนั้นเนื่องจากใจนะั้นมีภาวะตันหาอยู่มากเกินแล้วก็สายไปสู่พ บ, ไ ป, พบปไปเลยไปคว้าพบทติปะณีตไปเลยเวลารพระเจ้าทรงแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาของขันทั้งห้า วัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์แต่ภาวะตระหนักแกมีอยู่เยอะเอมนุษย์ไม่เที่ยงมนุษย์ไม่เที่ยงเหมคว้าสวรรค์คว้าสวรรค์เป็นของเที่ยงแล้วก็ต้องตามไปสอนที่สวรรค์ในเหตุว่ามันไม่เที่ยงด้วยแกก็วิ่งอยู่ไปสวรรค์อย่างไงเวลไปถึงสวรรค์ชั้นที่หกก็สอนในเหตุว่ามันไม่เที่ยงเหมือนการสวรรค์และใ น, นที่สุดแกก็คว้าที่พรห ม, มโลกก็สอนในเหตุว่าพรห ม, มโลกเองมันก็ไม่เที่ยง เพราะมันเป็นภพใจของคนจะค่อยรับมากริงขึนและในที่สุดก็จะหน่ายในภพคือไม่ปรารถนาความอุบัติบังเกิดแม้ในภพเพราะนั้นวิปัสน า, าจึงเป็นคาสอนอีกระดับหนึ่งที่ต้องการจะถ่ายถอนกิเลสมีเป้าหมายหลุดพ้นจากภพเป็นที่สุดแต่วันไหนขั้นตอนของการปฏิบัติจริงๆ คนจะเดินไปถึงจุดนั้นมันก็มีจำนวนน้อยเป็นยอดแหลมของกลัวยอดแหลมของเจดีเท่านั้นปัญหาสำคัญที่จะต้องศึกษาจาเนียกก็คือว่าทำยังไงจึงให้ไม่เที่ยงน้อยลงทำยังไงจึงจะให้ทุกน้อยลงทำยังไงจึงจะให้ความสุขเพิ่มแล้วก็อยู่นานมากขึ้นคำสอนในชั้นนี้จึง สามารถที่จะแสวงหาประโยชน์ได้ในชั้นวัตตะคื อ, อยังหมุนวนอยู่แหละยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละแต่ก็เรามองพบภูมิต่างๆเราจะเห็นว่ามันเกิดมาจากกรรมเป็นตัวกาหนดพดภูมิก ร, รมนั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสและธรรมะถ้าหากว่าธรรมะมีมากกุศลกรรมใบการกระทำก็เป็นกุศลมาก พบชาติแม้จะเป็นกามาพบมันก็เป็นสวรรค์พระคำสอนระดับสวรรค์จึงเป็นคำสอนระดับวัฏฏการมีกุศลแต่ว่าพบชาติมันประนีตขึ้นยาถามมาทุกไม้ก็ทุกเที่ยงไม้ก็ไม่เที่ยงหรอกเป็นอัตตาหรือเป็นนาตาก็เป็นอนัตตานี่แหละแต่มันนานหน่อยเรียกว่าเป็นปีที่เป็นอายุชิปเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผพัทธที่เป็นิ อายุนานความทุกข์ที่เคยประสบในสถานะของมนุษย์มันก็ลดลงไปความสุขที่ประนีตกว่าที่เคยสัมผัสในโลกมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นก็ทำให้คนมีฉันทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติระดับกุศลธรรมสูงขึ้นอย่างน้อยก็พบชาติประนีตขึ้นแม้จะหมุนวนก็หมุนวนช้าลงเพราะกว่าจะจุติมาจากสวรรค์สักครั้งหนึ่ง ก็ต้องผ่านการเวลาเป็นนานนักเกินแต่ก็คงไม่เที่ยงเป็นทุกแว่นตาอยู่นั่นแหละนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเดินเป็นขั้นไปปัญหาสาคัญว่าคนกลุ่มนี้สามารถสัมผัสได้ในขั้นไหนแล้วจะแสดงเฉพาะขั้นนั้นไปถึงขั้นนั้นเอาให้ดีตรงนี้ก็แล้วกันมันดีกว่าที่จะปล่อยกายปล่อยใจให้หมกมุ้นวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ ไม่เที่ยงเป็นทุกเวรนตาปล่อยควายึดถือครอบครองร้องไห้เสียใจเพลิดเพลินดูกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในแต่ละขณะแต่ก็ให้บุคคลมองพบในแง่ที่จะเป็นของหน้าควายคว้าปรารถนาก่อนก็เป็นเครื่องรอดเพื่อ ห, หนีทุกในในโลกมนุษย์กัน เพราะฉันจะเห็นว่าพอแสดงแนวอนุบุพิกถาที่เทศไปโดยลำดับทรงแสดงเรื่องทานเรื่องศีลซึ่งเป็นตัวกุศลที่ผลักดันให้เกิดผลเป็นการมาพบที่พระนิษประคนเพลินๆสักคักหนึ่งและในที่สุดก็ทรงชี้เห็นว่าอันนี้มีโทษนะเหมือนกันนะโทษเหมือนกับที่เธอเคยประสบในโลกมนุษย์นั่นแหละแต่บานแต่ช้าหน่อยแต่ก็เป็นโทษ เพราคนก็จะมีความรู้สึกว่าแหมดีขนาดนี้ยังมีโทษอีกเลยและทํำยังไงจึงจะหลุดพ้นจากทุกจากโทษเหล่านี้ได้พระองค์ก็สแสดงเนคขมาในสงฆ์ก็ในสงฆ์ของการออกจากกิเลสกามออกจากอำนาจวัตถุกรมเราดันแล้วคล้อกิตใจอัตยาสายขโบุคคลประนีตขึ้นไปและไปเข้าติยริยสัตว์สีแต่ทีนี้ถ้าไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็มองให้เห็นในแต่ละจุด ว่าบางแข่งมันไม่เชื่องแล้วเป็นทุกแรงแ้วกันเจนพวกอบายไม่เชื่องเป็นทุกแรงมากไอพวกนี้มันเกิดมาจากอะไรแม้เกิดมาจากกิเลสเกิดมาจากอากุศ ล, ลกรรมอกุศลกรรมเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกิเลสที่จัดจะทําทยัางไงจึงจะลดกิเลสอย่าให้จัดนะักเพื่อให้อกุศลกรรมถึงแม้จะมีเบาเบาหน่อยเพื่ออะไรเพื่อไปเจอกับไอตัวทุกข์ทรมานน้อยหน่อย แต่อบายนั้นจะเน้นที่ทุกข์เพราะภาพเห็นได้ชัดมากที่จริงแล้วพวกนี้ก็จะแม้แต่ตกนรกหรือว่าเป็นอะไรก็ตามคือแกก็เกิดตายเกิดตายอยู่ในทิศนั้นก็เรียกว่าผ่านพ้นภพชาติไปนานถ้าเกิดไม่กันที่อยู่กันนานแต่หมายความว่าตุติแล้วก็ปฏิสนชิเนื่องจากแกเป็นโอปปาติกะ คือเกิดมาแล้วก็โตได้ทันทีเขก็ทนทุกข์ทรมานไปถึงสิ้นอายุเฉพาะชาตินั้นก็ตายสุติแล้วก็ไปติสัมชีต่อไปกันในที่นั้นเองพอกรรมมันเบาขึ้นแต่ความทุกข์ก็จะลดลงลงไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นที่เราเรียกว่าเศษของวิบากกรับอย่างเดือเศษของวิบากกรรมที่ปรากฏในรูปต่างๆวันนี้ฉลอนภาพออกมาให้เห็นทั้งสองด้านมองในงแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา น, นั้นเอง แต่ว่าทำยังไงเราจะลดพวกนี้ลงไปไม่จะหมายถึงว่าสามารถถ่ายถอนตัณหามาณทิจิได้อย่างสิ้นเชิงแต่ว่าก็ลดตัณหามาณทิจิลงไปพวกนี้ถ้าลดลงไปได้ความเร่าร้อนความรุนแรงก็จะลดตามไปทั้นโลกคือพว ก, กวสัตว์ตาวาสก็ดีโลกคือกามภูมิทั้งสิบเอ็ดก็ดี โลกคือวิญญาณติฏฐิกระดิษณนั้นที่จริงแล้วก็คือพบอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ซึ่งถูกจําแนกด้วยกรรมกรรมนั้นถูกจําแนกด้วยกุศลอกุศลแล้วก็ส่งผลระยอยกันไปเป็นคลื่นไปไลยถึงดาวก็มองเห็นทั้งโครงสร้างใหญ่แต่เน่าตัวการใหญ่ในสายเป็นความทุกข์ที่เป็นเวทนาเกิด ค, ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นตัวการใหญ่ก็อยู่ที่อวิชชา แล้วก็แตกกิ่งมาเป็นโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นภายในจิตปรุงแต่งจิตให้กระทำกรรมทางกายทางวจจาทางใจที่ออกมาเป็นรูปเป็นอกุศลเมื่อกุศลก็จะมีผลเป็นทุกขเวทนาตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป